อาณาสยามยุบท่าที่สอว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระขนนิกายเป็นมหายาโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาทิบดีเมไม่ต่อตู้ไทยนักองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทย ใส่ ไ, ได้รบกับยวนและยวนได้กระทงมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาชานาประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดานวิสตานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามเสี่ยมยุทธภาคที่สองตอนที่ส0พญาเดโชทายนา บทัเรือฝ่ายพระยาเดโชท้ายน้ำเห็นไ่ายยวนที่ฝั่งตะวันตกไฟไหม้หมดแล้วและไ่ายยวนที่ฝั่งตะวันออกปากคลองสามแยกในคลองใหญ่วามนาบนั้นมีทัพ บ, บกรามันขมินและทับช้างในกองพระยาบรินเดชายกมารักษาอยู่แล้วจึงไม่ได้แต่งกองทัพเรือขึ้นรักษาค่ายบกนั้นพระยาเดโชท้ายน้ำ รีบจะยกลงไปติดตามตีทัพเรื อ, อยวนพระยาเดโชท้ายน้ำพร้อมด้วยกองพระยาราชวังสันแขกและกองพระยาวิเศษสงครามฝรั่งเศสและพระยานายทัพนายกองอื่นอีกมากก็รีบยกทัพเรือลงไปไล่ติดตามตียวนโดยเร็วจนถึงเกาะแตงซึ่งภาษายวนเรียกว่าเกาะเกียนายกองทัพเรือไทยเห็นข้า ย, ยวนตั้งรายริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากทาง และเห็นเรือรบยวนทอดสมอขวางลำน้ำอยู่เต็มทางไม่มีช่องจะลงไปได้เห็นยวนจัดการรับรองทัพไทยที่เกาะแตงนั้นทั้งค่ายบกและค่ายเรือเป็นศึกใหญ่เข้มแข็งนักหนักกว่าทุกครั้งทุกทีเพราะฉะนั้นทัพเรือไทยกองหน้าจึงไม่ได้แจวไร่เลยลงไปรอคอยทัพแสงและทัพปีกซ้ายปีกขวาทัพหนุนทั้งหลายอยู่ดูกำลังเชิงศึกก่อนแต่พอเวลาเพลิ กองหนุนและทัพเรือแสงทัพเรือปีกซ้ายปีกขวายกลงมาถึงพร้อมกันรวมเรือรบไทยครั้งนั้นถึงร้อยกับแปดลำแต่กองทัพใหญ่เจ้าพระยาพระคังยังมาไม่ถึงแต่กําลังรีบแจวลงมาข้างหลังจวนจะถึงอยู่แล้วพระยาเดโชทายน้ําเป็นคนใจรีบร้อนต่อราชการศึกโดยมากจึงไม่ได้รอเรือทัพใหญ่เจ้าพระยาพระคังให้มาถึงพร้อมกันเห็นว่าแต่ทัพหน้าทัพหนุนทัพแสงปีกขวาปีกซ้าย ร้อยกับแปดลำนี้เห็นพอจะยกลงไปตีทัพเรือยวนให้แตกไปได้แน่จึงสั่งให้หลวงรักษาเจตรวงวังหน้าลงเรือเล็กไปบอกนายทัพนายกองเรือทุกกองให้ยกลงไปตีเรือรบยวนเดี๋ยวนี้กองทัพเรือไทยก็ยกลงไปถึงท้ายเกาะแตงยิงปืนหน้าเรือรบลงไปถูกเรือรบยวนยวนไม่ได้ยิงปืนโต้ตอบมายวนพากันถอนสมอเรือรบทำทีจะล่าถอยหนีแต่เรือรบไทยกองหน้าเห็นว่า ยวนถอนสมอจ่าล่าหนีอยู่แล้วเห็นว่าได้ทีจึงได้แจวเรือรบสิบปดลำลงไปก่อนจุดปืนหน้าเรือระดมยิงเรื อ, อยวนยวนก็วางปืนใหญ่กระสุนแตกขึ้นมาถูกเรือรบฆ่าหลวงฝ่ายพระราชวังบวรสองลำคนในเรือรบทั้งสองลำคือหลวงรามรณรง์กับเรือพระวิสุทธวารีแตกจมลงในลําน้ําทั้งสองลำคนในเรือรบทั้งสองลำนั้นถูกกระสุนปืนกระสุน แ, แตกตายบ้าง บ้างว่ายน้ำหนีขึ้นเรือรบลำอื่นได้บ้างแล้วยวนนำเรือรบเล็กๆ25ลำแกวขึ้นมาหน้าเรือป้อมของยวนยวนรับปืนใหญ่ในเรือป้อมที่ถอนสม อ, อย่างไม่ขึ้นน้นรับแต่ปืนใหญ่ลงเรือเล็ก20เกว25ลำแกวขึ้นมาใกล้เรือรบไทยยวนก็วางปืนใหญ่มาพร้อมกันเป็นปืนตับยิงมาคราวละ25นัดพร้อมๆกันกระสุนปืนตับยวน ริวมาตกถูกเรือรบไทยอีกครั้งนี้คือเรือหลวงศรีเยาวภาพกับเรือพระนรินเรือพระวิชิตมนตรีเรือหลวงนิกรโยธารวมสี่ลาแตกจมน้าข้างตดิผู้คนในเรือรบทั้งสี่ลานั้นล้มตายหายจากกันเป็นอันมากบ้างก็ว่ายน้ำขึ้นบกไปได้บ้างยวนไขยบกก็ยิงปืนใหญ่น้อยในไข่บกมาถูกคนไทยที่ขึ้นบกนั้นล้มตายลงมาก กลับหน้าวิ่งหนีมาลงน้ำว่ายขึ้นเกาะเรือรบไทยลําอื่นที่ไม่ล่มบ้างยวนค่ายบกเข็นดังนั้นแล้วก็นำ ม, ามา้าห้าสิบม้าออกจากค่ายบกยกมาไล่ล้อมจับไทยที่หนีขึ้นบกจับไทยไปได้บ้างที่เรือรบพระศิริสมบัติกับเรือรบหลวงสุนทรวารีเขตก็ยิงปืนลายกระเบือขึ้นไปบนบกถูกทหารม้ายวนตายลงหกคนยวนก็ถอยม้าเข้าค่ายไปสิน้นไทยก็หนีมาลงน้ํา ว่า้ขึ้นเรือพระสิริสมบัติและเรือหลวงสุนทรวารีแขกที่แจวอยู่ริมฝั่งนั้นได้บ้างที่ตายมากกว่าที่หนีรอดมาได้ขณะนั้นยวนค่ายบกที่ฝั่งข้างสวรรค์ตรงเกาะแตงก็ยิงปืนใหญ่มาถูกผู้คนในเรือรบไทยตายมากเรือรบไทยจะล่าถอยออกมาก็ไม่ได้ด้วยพระยาเดโชท้ายน้ําไล่ต้อนเรือรบให้แจวลงไปต่อรบกับยวนอยู่เสมอไม่ให้รอไม่ให้หยุด แต่ให้พระวิชิตโกษาลงเรือรบเล็กลงไปเร่งเรือรบใหญ่ให้แกวลงไปเสมออยู่ไม่ให้ถอยเลยทั้งนั้นยยนเห็นว่าทัพไทยยกทัพเรือหนุนเนื่องกันมาเสมอไม่หยุดหย่อนโยนก็ถอนสมอนนำเรือป้อมใหญ่ที่มีปืนทางไกลแกวขึ้นมาประดากันเป็นหน้ากระดานเต็มทั้งลำน้ำถึงสี่แถวห้าแถวแถวหน้าเป็นเรือป้อมใหญ่แถวหลังเป็นเรือรบเล็กแถวในเป็นเรือค่ายใหญ่ แล้วมีเรือรบต่างๆตั้งเป็นแถวสับกันเป็นฟันปลาเต็มถังลําน้ำใหญ่ขณะนั้นยวนก็ยิงปืนสีสาเรือป้อมมาได้โดยทางไกลกระสุนปืนยวนตกมาถูกเรือรบพระศิริสมบัติลาหนึ่งถูกเรือรบพระยาสุนทรานุรักษ์เขตลาหนึ่งกราบแตกแยกออกไปจนน้ำเข้าได้ครึ่งระหว่างเรือลำหนึ่งหางเสือจังกูหักท้ายเรือแตกน้าไหลเข้าได้ครึ่งลา เรือรบที่ถูกกระสุนปืนชำรุดสองลำนั้นก็เร่งคนทหารให้เร่บแกวเรือกลับมาจะเข้าฝั่งฝ้าข้างตะวันออกก็ยังไม่ทันจะถึงฝั่งพออยวยนนำเรือรบเล็กคือเรือแววมีพลแกวลำละยี่สิบแกวพร้อมกันสิบผ้าลำแกวไล่ตามมาทันเรือพระสิริสมบัติแกวอยู่ในลำน้ำเกือบจะจมอยู่แล้วยวยนนำปืนขานกยางในเรือแวว ยิงไปถูกศีสาเรือรบพระเสด็จสมบัติทะลุที่ข้างเรือศีสศาเรือก็จมน้ําลงไปก่อนแต่ท้ายบาหลีเรือรบนั้นยังพ้นน้าอยู่หลวงสุนทรโกษานายทัพรองพระสิ็จสมบัตินั้นก็ปีนขึ้นไปบนท้ายบาหลีเรือเพื่อจะหนีไม่ให้เปียกน้ําเพราะความตกใจตกตะลึงกลัวใจโยนเห็นได้ทีก็นําปืนข้าวศิลายิงไปถูกหลวงสุนทรโกษาตายอยู่ท้ายบาหลีเรือนั้น ขันเรือจมลงไปทั้งลำหมดแล้วผู้คนในเรือก็ว่ายน้ำระสำนระสายไปมาอยู่ในลำน้ำวามหนานั้นว่ายวนเวียนไปมาอยู่ไม่รู้ที่จะหนีไปทางใดได้ไดเพราะเรือรบยวนมาล้อมรอบแล้วแต่เป็นความรักษาชีวิตอยู่ก็สู้ว่ายวนไปเวียนมาอยู่ในที่ล้อมยวนเห็นดังนั้นแล้วก็นาเรือแหววแจวไปไล่ตามยิงแทงฟันพวกไทที่ว่ายน้าอยู่นั้นตายมาก แต่พระสิริสมบัติกับขุนหมื่นสองคนว่ายน้ําไปเกาะกระดานเรือได้แผ่นหนึ่งก็ช่วยกันว่ายเสือกสนจะเข้าตะลิงพอยวนเห็นเข้าว่าคนที่ว่ายน้ําเกาะกระดานนั้นสวมเสื้อเข้มขาปลิวยวนก็เข้าใจแน่ว่าเป็นนายเรือไทยยวนจึงไม่ฆ่าสั่งให้จับเป็นไปทั้งสามคนบ่าวนายยวนนําเรือแหวีแจวมาตามจับพระสิริสมบัติกับบ่าวไปพร้อมกันทั้งสามคน แต่ไพ่พลในเรือรบลำพระศิธิสมบัตินั้นที่เหลือตายก็ว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งตะวันตกแล้วเดินมาลงเรือรบไทยลำอื่นได้บ้างจึงได้มาแจ้งความตามเหตุที่เป็นมานั้นให้แม่ทัพนายกองทราบครั้งนั้นเรือรบพระยาสุนพรานุักษณ์หางเสือจังกูดหักเรือก็รัว่วน้ำเข้าได้บ้างแล้วแก้วตุรัดุเรหมุนไปวนมาอยู่กลางน้ำยวนเห็นแล้วก็นำเรือแหววสิบลำ แกวเข้าล้อมแล้วนําปืนคาบศิลายิงระลมไปถูกคนในเรือรบไทยตายมากผลแกวในเรือรบไทยเห็นดังนั้นแล้วก็วางแกวเสียหมดหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้ดาบฟ้าเรือเรือก็ลอยอยู่กลางน้ําเข้าฝั่งไม่ได้ยวนที่ล้อมเห็นดังนั้นแล้วก็พากันปีนขึ้นบนเรือรบไทยยวนก็ไล่ฆ่าไทยในเรือใต้ดาบฟ้าบนดาบฟ้าตายทั้งสิ้นครั้งนั้นยวนเห็นพระยาสนทานรักหนึ่ง หลวงมหาศักราษราหนึ่งหลวงวิชิตโยธาหนึ่งวังหน้าทั้งสามคนสวงเสื้อเข้มขาบอัตลักษณ์ก็เข้าใจว่าเป็นนายทัพเรือจึงไม่ฆ่าจับเป็นไปทั้ง3คนจ้ำคือมือแล้วพาลงเรือเร็วตรงไปให้แม่ทัพใหญ่ของหยวดวนแล้วยวนกระถุงท้องเรือใหญ่ให้จมลงน้ำเสียหมดครั้งนั้นหมื่นทิพยสมบัติกับไส้สองคนหนีลงไปในถังน้าก่อนยวนยังไม่ได้ขึ้นเรือพระยาสุนทรานุรักษ์ เมื่อยวนกระท u n เรือจมแล้วถังน้ําก็ลอยไปยวนไม่ได้สังเกตจึงไม่ได้ดูในถังน้ํานั้นถังน้ําก็ลอยมาประทะเรือรบพระอนุรักษ์โยธาพระอนุรักษ์โยธาจึงพาคนในถังน้ําส่งขึ้นไปให้เจ้าพระยาพระทังเจ้าพระยาพระทังจึงได้ทราบความตามที่บรรยายมานั้นแล้วเมื่อขณะยวนมาไล่จับพระสิริสมบัติและพระยาสุนทานรักนั้นของทัพพระยาพิทัษ์ช่วยหาน และกองพระยานครเขื่อนขันทั้งสองกองเจวะลงไปถึงจึงเห็นทัพเรือเสียแก่ยวนยวนมาล้อมจับอยู่ดังนั้นแล้วทัพเรือกองรามันทั้งสองก็วางปืนใหญ่หน้าเรือรบลงไปฝ่ายยวนเรือป้อมก็แทรกขึ้นมากันเรือแววที่ยวนล้อมจับแม่ทัพไทยอยู่นั้นเรือป้อมนํำปืนใหญ่ยิงโต้อตอบขึ้นมาบ้างทางปืนใหญ่ยวนในเรือป้อมเป็นปืนทางไกลมาก กระสุนปืนมาตกใกล้เรือกองพระยาพิทักษ์ถวยหานแตกชํารุดบ้างแต่ไม่ล่มจมพระยาพิทักษ์ถวยหานพระยานครเกื่อนขันสั่งให้กองทัพรามันล่าถอยกลับขึ้นไปให้ผลทางปืนใหญ่ยวนขณะนั้นพอกองทัพเรือกองแสงและกองหนุนกองเรือปีกซ้ายขวายกลงไปทันเรือกองหน้าเมื่อเสียแก่ยวนแล้วนั้นพอทัพเรือรามันยกกลับมาก็เข้าใจว่าทัพเรือกองหน้าเสียหมด ยวนคงจะยกทัพขึ้นมาไล่ทัพหนุนต่อขึ้นมาเพราะดังนั้นทัพแสงและทัพหนุนจึงได้แ้วลาถอยกลับขึ้นมาหมดฝ่ายยวนเห็นดังนั้นแล้วก็ยกทัพเรือรบเล็กใหญ่ไล่ขึ้นมายิงปืนใหญ่หน้าเรือรุกไล่ตามมามากฝ่ายทัพเรือไทยกองแสงและกองหนุนปีกซ้ายขวาก็พากันตื่นตกใจกลัว ย, ยวนพากันล่าถอยกลับมาเป็นอลหมานไม่เป็นกระบวน จนเรือรบทุกกองมาปะทะเรือรบ ก, กองทัพใหญ่เจ้าพระยาพระฝังเจ้าพระยาพระฝังจะห้ามรามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเรือรบทุกทัพทุกกองแกวถอยหนีมาบ้างแล่นใบามาบ้างตีกันเฉียงมาบ้างแกวมาบ้างล่าถอยหนียวนลงมาเป็นโอนละหมาดบ้างแข่งบ้างแย่งมาก่อนจนโดนกันเองแต่ขักเสียหายหลายลําบ้าง หางเสือจังกูดหักบ้างสีสาเรือไปโดนกราบเรือกันเองแตกไปกราบหนึ่งบ้างบ้างลำสีสาเรือหักบ้างสับสนกันหนักครั้งนั้นเรือรบไทยหลายสิบลำล่าถอยหนียวนมาปะทะอัดแอร์กันเข้ามาอยู่ในคลองวามนาวใหญ่ใกล้จะถึงปากคลองสามแยกพวกเรือรบไทยคั้งนั้นมาปะทะพร้อมกันอยู่ไม่รู้ที่จะหลีกกันไปทางไหนได้เพราะเรือรบมากมาพร้อมข้างกันอยู่ปากคลองสามแยกครั้งนั้น ยวนเห็นเป็นทีจึงนำเรือรบใหญ่ร้อยห้าสิบลำเล่นใบบ้างแกวบ้างไล่ติดตามตีกองทัพเรือไทยมาข้างหลังบ้างแล้วนำปืนที่ศรีรษะเรือพ่อมยิงขึ้นมาไล่เรือรบไทยเรือรบไทยก็ถอยหนีรถมาพร้อมกันประทะกันเออัดอยู่ที่ปากคลองสามแยกยังไม่ทันจะห ล, ลีกกันไปข้างไหนได้ขณะนั้นยวนแต่งกองทัพเรือรบเล็กๆไวถึงร้อยลำเศษยวนยกทัพเรือรบเล็ก วกอ้อ ม, มาในคลองวัดต่างๆเจลก้าสกัดมาออกลำน้ำใหญ่ได้หลายทางยวนจึงนำเรือรบเล็กๆเป็นทับขนาบตีตัดหลังกองทัพเรือไทยลงไปเรือรบใหญ่ของยวนก็ยิงปืนระลมขึ้นมาพร้อมๆกันเรือรบเล็กๆของยวนก็ยิงปืนระล่มลงไปพร้อมๆกันทั้งทับหน้าทับหลังของยวนตีรุกเข้ามาทุกฝีฝ่ายทัพเรือไทยทั้งหลายอยู่ที่กลางต้องเข้าช่องแคบ สู้ทั้งข้างหน้าข้างหลังระวังยากยวนยกทัพเรือใหญ่มาข้างหลังยกเรือรบเล็กมาข้างหน้าเป็นศึกกนาบไทยใทยเกียบจะเสียทัพเรือแก่ยวนอยู่แล้วขณะนั้นพระยาเดโชถายน้ําแม่ทัพเรือรกกองหน้าฝ่ายไทยหิงเรือรบเสียหมดพาพลทหารยกขึ้นจากเรือมาขึ้นบกที่ริมฝั่งตะวันออกคิดจะผ่าเรือรบออกเป็นซิกซิ่ขึ้นตั้งเป็นค่ายมั่นบนบกพอจะได้บังกระสุนปืน รับทัพยวนยังหาทันจะทําการสําเร็จดังที่คิดไว้ใหม่ในทันใดนั้นพยวนยกทัพเรือรบเล็กมาถึงเร็วยวนนําปืนใหญ่น้อยยิงระดมขึ้นไปบนตะลิ่งกระสุนปืนใหญ่ยวนยิงถึงกองทัพพระยาเดโชทายน้ําพระยาเดโชทายน้ําต้องขุดคู่พากันลงแอบบังกระสุนปืนแทบทุกคนฝ่ายยวนเห็นว่าไถกองทัพเปลือพระยาเดโชทายน้ํา ถึงเรือรบปปลอยกับสองลำเสียแล้วหนีขึ้นบนบกดังนั้นยวนก็จัดการจะนำเชือกมาจูงเรือรบใหญ่ๆของไทยไปให้หมดทั้งร้อยสองลำขณะนั้นพอกองทัพ บ, บกเจ้าพระยาบรินเดชารีบยกมาถึงท้องทุ่งใกล้ปลากคองสามแยกแล้วจึงได้ยินเสียงปืนข้ามทางน้ำยิงโต้อตอบกันหนาหูขึ้นทุกทีก็รู้ว่าทัพเรือไทยได้รบกับทัพเรือยวนเป็นสามารถแน่แล้ว เจ้าพระยาบริณเดชาจึงสั่งพระยาจ่าเสนบดีสีบรดีให้เป็นแม่ทัพช้างคุมกองช้างพระยาเพีรราชาในพระราชวังหลวงร้อยช้างให้รีบเร่งยกลงไปช่วยแก้ทัพเปลือที่ริมฝั่งน้ําวามนาวข้ามตะวันออกทางหนึ่งแล้วสั่งให้พระยาพิชัยชานลิศเป็นแม่ทัพช้างคุมกองช้างพระยาประกิตนรักษ์ฝ่ายพระราชวังบรวรเจ็ช้างให้รีบยกลงไปช่วยทัพเปลือ ที่ริมฝั่งน้ําตะวันออกอีกทัพหนึ่งแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาก็รีบดําเนินกองทัพ บ, บกยกเป็นลําดับมาถึงเชิงตะลิ่งใกล้าปากคลองสามแยกเห็นยวนนําเรือรบเล็กๆแกวไล่ยิงทัพเรือไทยไทยถึงเรือรบหนีขึ้นบกดังนั้นแล้วจึงสั่งให้หลวงเสนาพักดีขึ้นมาเร็วรีบสวนทางลงไปบอกแก่พระยาจ่าแสนบดีนายกองช้างให้นํำปืนบ้าเหลี่ยมขานกอย่างจังก้าบนหลังช้าง หญิงระดมลงไปให้พร้อมๆกันกล่าวละยี่สิบช้างให้ติดๆกันสักพักสองพักทัพเรือยวนก็จะถอยไปอย่ากลัวมันเลยอ๋อนามเสี่ยงยึดภาคที่สองตอนที่สิบพระยาทายน้ำแตกทัพเรือกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป